นาโมตัสสะพะคะวะโตอะร ะ, ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิผให้ได้ทุกๆคนการนั่งขัดสมาธิผิดนั้นแสดงความองค์อาจกล้าหารเคอแสดงออก ว่าเราจะต่อสู้กับกิเลสลาคะโทสะโมหะให้ได้ชัยชนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลมไมโพพระองค์เอาชนะได้เราทุกคนก็ได้มาสู่สถานที่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 บัดนี้สถานที่ภายนอกนั้นก็เรียกว่าพร้อมบริบูรณ์ห่างไกลจากที่ชุมนมชนไม่มีเสียงลบกวญที่ว่าเสนาสนาสปายะที่โยอาศัยเป็นที่สบาย นะว่าที่นี่ก็เป็นที่สบายเมื่อเรามาอยู่ในที่สบายจิตใจเราไม่ต้องฟุ้งซ่านลำคาลรั่วไหลไปที่อื่นรวบรวมกําลังจิตกําลังใจปล่อยวางเรื่องราวภายนอกจะมีอารมณ์เรื่องราวอะไรขัดข้องสงสัยก็ตัมไม่ต้องเป็นห่วง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 อะไรทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในประเทศบ้านเมืองเราจะไม่มีวัดวา ศ, าศาสนาโบสถ์วิหารเจดีศาลาการประเรียนวิหารเราจะไม่เห็นไม่เห็นพระสององค์ข้าเจ้าหมผ้ากาสาวพัต์ผ้าเหลืองผ้าขาว จะไม่มีที่เราเห็นนี่ก็คือว่ามาจากพระพุทธเจา้าพระองค์นั่งสมาธิภาวานาเดินจมกลมรวมจิตรวมใจของพระองค์ในวันวิสาขาบูชาเดือนหกพ็น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 อันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เอาชนะได้แล้วสละชีวิตลงไปได้แลกกิเลสความโกรธได้แล้วตัดกิเลสความโลภได้แล้วตัดกิเลสความหลงได้หมดสิ้นแล้วละกิเลสพร้อมทังวาสนาในวันเดือนหกแผ่นเสร็จเรียบร้อย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 นั่นท่านเรียกว่าจิตดวงผู้รู้โยในตัวเราทุกคนจงรวมกำลังจิตใจให้มาโยในดวงจิตที่รู้อยู่นั้นดวงจิตที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่ลึกซึ่งจนกระทั่งมองไม่เห็นเราหูดีฟังเสียงได้ยิน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 เวลารวมจิตใจดวงนี้เข้ามาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เสียก่อดจึงจะลูกจักลูกแจ้งเมื่อภายหลังว่ากิเลสนั้นมันซึมซาบอยู่ในจิตใจดวงนี้แหละกิเลสความโกรธมันกรโยที่จิตใจดวงผู้โลภผู้คิดผู้นึกนี่ กิเลสความโกรธความโลภความหลงมันไม่ใช่มากมายมันอยู่ในใจนั่นแหละถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นลงไปไม่หวั่นไหวพุทธโธลงไปในหัวใจจิตดวงที่โลโยที่ไหนก็ตั้งลงไปให้มันมัน่นคง ความยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนไม่ให้มีตัวตนของเหล่านี้เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเหล่าแท้แล้วว่าเยิมโลกเขามาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อบำเพ็ญบุญบารามีของเราให้แก่กล้าทานะบารามียังไม่แก่กล้าเราก็จะต้องทำทานะบารามีศีนบารามียังไม่บริสุทธิ์ยังไม่แก่กล้าเราก็จะได้บำเพ็ญสีะบารามี นับตั้งแต่หลักศีลห้าขึ้นไปเว้นจากฆา่าสัตว์เว้นจากลักขโมยวัตถุเข้าของของบุคคลผู้อื่นเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวโม้สาวา่าเว้นจากดื่มกินโุลาเมลีแนวหลักศีลห้าหลักศีลแปดศีลสิบ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 อารมณ์ของจิตมันมีอยู่ห้าอย่างได้แก่รูปเมื่อเห็นรูปแล้วรูปนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ในจิตถ้ารูปดีก็ชอบคอพอใจถ้ารูปขี้ร้ายขี้เหล็ก็เกียดชังอยากจะให้มันตายไปเสียอันนี้แหะมาเป็นอารมณ์อยู่ในจิต เสียงดีเสียงเพราะ์ก็ชอบใจร้องลัมทาเพลงถ้าเสียงเขาดุดาว่าไล่ป้ายสีให้ไม่พอใจนั่นแนหะจิตมันมีอยู่ตรงนั้นแหละกลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบถ้ากินหอมแล้วก็ชอบใจถ้าเป็นดอกไม้ก็เอามาดมเอามาเนปหูให้มันใกล้จมูก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 สตินี่เป็นการฝึกให้เจริญมากมากเลยจะไม่หลงสติก็คือจิตใจดวงผู้รู้ที่ว่านี่เลยตั้งมั่นลงไปแล้วก็เ ล, ลิกไม่ให้มันหลงเวลาร่างกายลูกปักขันนั่งสติก็ต้องระลึก ว่านั่งแบบไหนสติความระลึกใดต้องดูตัวเองนั่งให้รอบขอบจิตรู้จิตรู้จใจอยู่ภายในไม่ให้พลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาไปตามอายตนะภายนอกคนเทคาสติ ไม่ว่านั่งสมาธิภาวานาก็หลับไหลไปก็คือว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดหมดทุกอย่างทุกประการคำว่าสติความระลึกได้ก็จิตใจดวงผู้รู้อันเดียวนี่แหละระลึกขึ้นมา ที่นึกบริกรรมพุทโธก็คือว่าหัดสตินะหัดใจนะให้มีสติระลึกอยู่ไม่หลงไหลไปกับเรื่องใดๆทั้งหมดเดินจิตใจดวงนี้อยู่ตลอดเวลาธรรมดาจิตใจคนเหล่านั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าทาลก ที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่รู้อะไรถ้าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าไม่ดูแลทารกนั้นจะต้องเกิดภัยอันตรายมันยังไม่รู้อะไรพัดตกข้อหัก ที่คนเราเหลือมานี้อาศัยบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้มันจะตกเขาก็จับไว้ไม่ให้ตกไปแต่ว่าเมื่อมันใหญ่แล้วคนเรามันก็ลืมบุญคุณของผู้อื่นที่เพิ่ดูแลให้ เมื่อเรามาภาวนาก็หตั้งใจขึ้นมาละลึกขึ้นมาดวงสติคือจิตละลึกอยู่ท่านให้ละลึกอยู่เรียกว่าสติปัฏฐานสีละลึกพิจารณาอยู่ในกายในกายหมายถึง หาสองแขนสองศีษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบท่านให้เอาสติมาระลึกดูตายนีย่ภายในหนังหุ้มเข้าไปมีอะไรเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ แต่เมื่อเราไม่กำหนดพิจารณาจิตมันก็ประมาทมัวเมาเห็นเป็นของสวยของงามของมั่นคงถาวรแท้ที่จริงไม่มีอะไรเลยมันรอความแตกดับอยู่ตลอดมีละ่ะ จงรวมจิตใจลงไปและลึกพิจารณาในร่างกายสังขารอันนี้แลว่าระลึกอยู่ในกายจนแจมแจ้งทุกส่วนทุกประการในร่างกายสังขานี้จนไม่หลงไม่คิดไปในทางหลงคิดไปในทางโลภส่วนเวทนาก็ต้องละลึก สุขเวทนามาถึงเข้าทุกเวทนามาถึงเข้าเฉยเฉยเวทนามาถึงเข้าท่านก็ต้องให้ใช้สติความระลึกได้ไม่ให้ลหลงไหลไปตามเวทนาสุขทุกเฉยเฉยนั้นเร ว, ว่าองค์สติระลึกดูกายดูเวทนาดูจิต ความคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรก็ต้องเอาจิตใจดวงผู้ลูมาคิดมานึกมาภาวนานั่นเองให้สงบหลังงบตั้งมั่นลงไปคำว่าทมหรือว่าทมมารมอารมณ์เรื่องราวที่มันผ่านมามันก็มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิต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 ถ้าไม่ฝึกไม่ฝนปล่อยให้มันไปตามอารมณ์กิเลสราคะโทสะโมหะเมาไปอย่างนั้นละไม่มีความรู้สึกตัวต้องตั้งใจขึ้นมาแล้วก็ระลึกโยในกายเวทนาจิตธรรมรวบลัดเอาดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้โยภายในให้โยทีนี้ ไม่ให้แส้สายไปที่อื่นที่อื่นไม่ใช่ที่อยู่ของจิตจิตคนเรามันอยู่ในกายในรูปขันนี่แหละก่อนที่จะได้เนือน้อหนังมังสังตัวตนอันนี้มาต้องไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้งสิบเดือนจึงได้ร่างกายสังขารอันนี้มา เมื่อได้มาแล้วก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาเคลิดเคลินไปตามอันนี้ไม่ได้เพราะร่างกายสังขาร น, นี้เป็นของเป็นเครื่องใช้สั่วคราวมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้อายุไม่ค่อยถึงร้อยปีก็ต้องตายแล้วเราจะมาเพลิดเคลินลุ่มหลงมัวเมาไปตาม ลูบนามไม่ได้ต้องภาวนาทําใจให้สงบตั้งมัน่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ที่เราจะทําได้ก็ต้องตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปไม่ปล่อยปะละเลยนั่งก็มีสติเราเลึกอยู่ ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติอยู่ความละลึกได้คำบริกรรมในใจอยู่มั่นคงหนักแน่นอยู่ในหัวใจพุทโธอยู่ที่นี้ธรมโมกัดอยู่ที่นี้สังโฆก็อยู่ที่นี้อยู่ที่ใจิตใจดวงผู้รู้อยู่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 เราจะภาว น, นาพิจนารณาสงบจิตใจดวงนี้อยู่เมื่อจิตใจดวงนี้อยู่แล้วก็จะต้องกําหนดให้รู้จักหลักอนิจจงทุกขังอนัตตาสอนจิตใจดวงนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาวาธขึ้นมา เยดใจท่อแท้อ่อนแอกลัวตายไม่ให้มีตั้งใจภาว น, นารวมจิตรวมใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้วันไหนคือไหนใจไม่สงบข้าจะไม่นอนข้าจะนั่งภาว น, นา ถ้าจิตมันยังเด้อให้อยู่เราจะนั่งให้มันตายเหมือนพระพุทธเจ้าของเราองค์ว่าถ้าตรัสโลไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกไปเสวงหาอาหารและบินธบาตมาเลี่ยงชีพอีกต่อไปพระองค์ท่านจะนั่งภาวานาให้มันตายในล่มไม้นะั้น เราทุกคนทุกดวงใจก็ต้องมีจิตใจแน่วแน่เหมือนพระพุทธเจ้าจึงจะตัดได้ละได้ปล่อยได้วางได้ไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธ บ, บอกให้ทำไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโลภโลภพาจิตบอกให้ทำ ไม่หลงไปตามอาวิชชาตัณหาในจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสบอกให้หลงเราจะภาวนาทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมันมีโยในใจนั่นแหละแต่ถ้าไม่รวมไม่สงบลงไปมันก็ ไทั่วถ้ารวมสงบลงไปแล้วมันก็มีใจดวงเดียวนั้ น, น, นเอกังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกทมโมทำใจให้เป็นดวงเดียวไม่ให้แส้ทายลุ่มหลงไปไหนที่ใด เอาจิตใจดวงนี้มัดจิตใจดวงนี้ด้วยสมถกรรมฐานจิตสงบระงับมัดไว้เอาวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลทั้งภายนอกภายในทั้งส่วนตนและบุคคลผู้อื่นจนสิ่งที่จิต เคยลุ่มหลงมัวเมามาแก้ไขไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปแล้ว่าตัดในใจให้มันขาดอะไรกระทบตากระเทือนหูก็ทำใจให้ว่างให้มันเฉยไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาไม่มีที่สิ้นสุด จิตใจดวงผู้รู้อยทินี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้ส ง, งบอยู่ที่นี้เห็นจริงเห็นแจ้งอยู่ที่นี่ไม่ต้องให้มันมาหลอกลวงอีกต่อไปจิตใจของผู้ปฏิบัติจะได้มั่นคงลงไปเกิดแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วย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 ทำละจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราจะไม่เป็นคนประมาทโมเมาอีกต่อไปทุกขังอริยสัจอ์างทุกเป็นของจริงมีอยู่ในลูกนามตัวตนคนเราทุกคน อย่าได้มาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดชาิยึดตะกกลตัวกูของกูตัวข่าของข่าตัวเราของเราของเราที่ไหนของโลกเขาโลกกิเลสมันสร้างขึ้นมา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 มีสติทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลามีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารรอบดูในกองสังขารไม่ให้จิตใจวันไหวสันสะเทือนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสพพธะธรรมมาลมเอาจิตใจดวงนี้ให้ว่างวางเฉยลงไป เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวกิเลสอะไรมันยังพ้องผ่านอยู่ในใจก็ตัดละลงไปให้มันหมดสิน้นเหลือดวงจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่เจือปนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมาลมปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบประกอบ ส่วนที่เป็นกุศลอยู่ในจิตในใจของตนทำความเพียนเพ่งโยภายในภายนอกไม่เกี่ยวจะไม่ไปยึดไปถืออะไรทั้งหมดดวงจิต ด, ดวงใจไม่ใช่ไปโยที่อื่นมันโยในกายนี้ เราได้ยินเสียงนี้ก็คือว่าใจนั่นแหละอยู่ที่นี้ถ้าใจมันออกจากล่างนี่ไปเหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้คนเราจะประพฤติปฏิบัติได้ก็ในเมื่อเวลามันยังอยู่ในโลกประขันนี่นหะเมื่อโยในโลกประขันมันจะได้รู้จักว่ามันสุข บันทุกสบายไม่สบายอย่างไดร้อนหนาวมันรู้อยู่นี่แหละทำความเพียรปฏิบัติบูบชาสิ่งอื่นใดนอกจากคิดใจดวงผู้รู้อยู่ออกไปทั้งหมดไม่ต้องไปหลงต้องให้รู้ว่าอานิจยังไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวล ทุกขังใครไปยึดไปถือไปหลงก็เป็นทุกจิตทุกใจอนณตาเคอสำคัญผิดคิดว่าเราตัวเราของเราความจริงมันไม่เป็นของเราของธาตุโลกเขาอาศัยกิเลตันหามานทิทิเป็นเครื่องยึดเหนียวให้ติดให้ขล้องให้หลงอยู่ตั้งหา เวลาตายจากโลกนี้แบกหามอะไรไปได้ทิ้งไว้ทั้งนั้นต่อไปเราจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดๆเรียกว่าพุโทโธยิตใจดวงผู้ลูลโยที่นี้ตามู้ตามละตามปล่อยวางกิเลสตัณหามาณนทะิฐิให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้ตั้งใจลงไปจริงๆ เมื่อตั้งใจเต็มที่ได้เจตใจก็ย่อมสงบระงับตั้งมันเที่ยงงคงที่โยในใจใจร้อนก็จะได้หายไปใจเย็นก็จะเดเกิดขึ้นมาแทนที่เพราะจิต ด, ดวงผู้โลโมีโยในตัวเราทุกๆคนจิตสังขารจิตอิเลจิตตัณหามานะทิฏฐิไม่ต้องเกี่ยวข้อง พระพุทธเจ้าทรงตัดว้ว่านัตติตันหาสมานาธิแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มีตันหาความอยากความวุ่นวายในใจมนันลดปุถุชนคนเรามันวุ่นวายที่สุดเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้น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 เวณโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในจิตใจของตนนี้ให้ได้จึงชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลส เราทุกคนผู้เป็นสาวกในทางพุทธศาสนาก็ให้เลิกละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปสู่จุดดวงู้อยู่ในจิตใจนั้นให้ได้ไม่ได้ไม่ต้องถอยความเพียรเอาความเพียรเป็นที่ตักนี่แหละ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 สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอาภิวาธนาศิริสนิจังบุท ธ, ธาปัจายิโนจตารโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลัง